ธมบทแปลเรื่องพระติสเทระชาวกรุงโกสัมพีภาคที่สเรื่องที่เจพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพสามเณรของพระติสเทระตรัสพระธรรมเทศนานิวาสันตังตัดสะมนังโหติสันตาวาจาจากรรมมะจะ สันมะธัญญาบิมุตตะสะอุปสันตะสะตาติโนแปลว่าใจของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับคงที่เป็นใจสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วการงานก็สงบตอนสิทธิ์บรรลุพระอรหันต์ก่อนอาจารย์ดังได้สะดับมา กุลบุตรเจ้กรุงโกสัมพีผู้หนึ่งบวชในพระศาสนาได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพระโกสัมพีวาสีติสัตเถระคือพระติสัตชาวกรุงโกสัมพีเมื่อพระเถระนั้นจำพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพีอุปถากนําไตรจีวรเ น, นยใสยและน้าอ้อย มาวางไว้ใกล้เท้าครั้นนั้นพระเถระกล่าวกับอุปทาคานั้นว่านี่อะไรหรืออุบาสกอุบาสกผู้นั้นกระผมนิมนต์ท่านให้อยู่จำพรรษาไม่ใช่หรือขอรับก็พวกภิกษุผู้จพาพรรษาอยู่ในวิหารของพวกกระผมย่อมได้ลาบนั้นนิมน์ท่านรับเถิดขอรับพระเถระอุบาสกช่างเถอะ ความต้องการด้วยวัตถุนี้ของเราไม่มีข้อนั้นเพราะเหตุไรครับอุบาโชกก็สามเณรผู้เป็นกัปิยาการกในสำนักของเราไม่มีท่านผู้เจริญถ้ากับปิยะการกคือผู้ทากับปิยะไม่มีบุตรของกระผมจะเป็นสามเณมรในสำนักของพระคุณเจ้าได้พระเทรานั้นรับแล้วอุปทา นำบุตรของตนผู้มีอายุเจ็ขวบไปสู่สำนักของพระเถระแล้วได้ถวายกับพระเถระด้วยคำว่าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิดครั้งนั้นพระเถระชุบผมของเด็กนั้นให้ชุ่มแล้วให้กรรมฐานห้าคือผมขนเลบฟันหนังแล้วให้บวชในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง กุมานั้นบรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาพระเตระครั้นให้กุมานั้นบวชแล้วอยู่ในที่นั้นสิ้นกึ่งเดือนแล้วคิดว่าจะเฝ้าพระศาสดาจึงให้สามเณรถือห่อพันธะเดินไปสู่วิหารแห่งหนึ่งในระหว่างทางสามเณรถือเสนาสะนะจัดแจงเพื่อพระอุปชาแล้ว เมื่อสามเณร น, นั้นจะแจงเสนาสะนะอยู่ทีเดียวก็เวลาหมดแล้วเพระเหตุนั้นสามเณรจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสะนะเพื่อตนได้พราะนั้นพระเถระถามสามเณร น, นั้นผู้มาในเวลาบ่มรงนั่งอยู่แล้วว่าสามเณรเจ้าจัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือกระผมยังไม่ได้โอกาสเพื่อจัดแจงครับ ตอนสามเณรตาแตกพระอาจารย์พระเทเะจึงกล่าวกับสามเณรว่าถ้ากรณ์นั้นเธอจึงอยู่ในที่ของฉันเถิดการอยู่ในที่อคันตุกะนั้นลำบากจึงได้พาสามเณรนั้นแล้เข้าไปสู่เชนาสนะแล้วก็พระเทรรยังเป็นพระบุทุชนพอนอนเท่านั้นก็ยังลงสู่ความหลับ สามเณ น, นคิดว่าวันนี้เป็นวันที่สามของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับพระอุปชาถ้าเราจะนอนหลับพระเทระพึงต้อง ส, สายยาบัดคืออาบัดเพราะนอนร่วมกับบุคคลผู้ไม่ใช่พระภิกษุเราจะนั่งอย่างเดียวให้การน้อมล่วงไปสามเณ น, นจึงนั่งคูบลังใกล้เตียงของพระอุปชาทีเดียว ทาราตรีให้น้อมล่วงไปแล้วพระเถระลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งคิดว่าควรให้สามเณรออกไปจึงจับพัดที่วางอยู่ข้างเตียงเอาปลายใบพัดตีเสื่อลำแผนของสามเณรแล้วยกพัดขึ้นเบื้องบนกล่าวว่าสามเณรเธอจงออกไปข้างนอกใบพัดนั้นได้กระทบตาของสามเณร ตาของสามเณรจึงได้แตกแล้วทันใดนั้นนั่นเองสามเณรนั้นกล่าวว่าอะไรขอรับเมื่อพระเทระกล่าวว่าเจ้าจงลุกขึ้นออกไปข้างนอกสามเณรนั้นก็ไม่กล่าวว่าตาของผมแตกแต่ว่าปิดตาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วออกไปก็แลในเวลาทําข้อวัดสามเณรไม่นั่งนิ่งด้วยคิดว่าตาของเราแตกแล้ว แต่กุมตาด้วยมือข้างหนึ่งกับไม้กวาดด้วยมือข้างหนึ่งกวาดห้องน้ำและที่ล้างหน้าตั้งน้ำล้างหน้าไว้แล้วกวาดบริเวณสามเณรนั้นเมื่อถวายไม้ําระฟันแก่พระอุปชาได้ถวายด้วยมือข้างเดียวตอนอาจารย์ขอโทษสิทธิ์กระนั้นพระอุปชากล่าวกับสามเณรนั้นว่า สามเณร น, น, นี้ไม่ได้สำเนียกใจเลยเนอจึงได้ถวายไม้ชมระฟันแก่อาจารย์และอุปชาด้วยมือข้างเดียวสามเณรผมทราบก็รับว่านั่นไม่เป็นวัดแต่มือข้างหนึ่งของผมไม่ว่างอะไรนะสามเณรสามเณร น, นั้นจึงได้บอกความเป็นไปนั้นแล้วจำเดิมแต่ตนพระเถระพอฟังแล้วก็มีใจสลด กล่าวว่าโอ้กำหนกอันเราทำแล้วสามเณรเธอจงอดโทษแก่ฉันสัตรบรุุษฉันไม่รู้ข้อนั้นขอจงเป็นที่พึ่งเดือนนี้แล้วก็ประคองอัญชลีนั่งกลียงใกล้เท้าของเด็กอายุเจ็ดขวบลำดับนั้นสามเณรบอกกับพระเทรานันว่าท่านครับกระผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการเหตุนั้น กระผมเมื่อตามรักษาจิตของท่านจึงได้พูดแล้วอย่างนี้ในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของผมก็ไม่มีนั่นเป็นโทษของวัตตะเท่านั้นขอท่านอย่าคิดแล้วผมไม่ต้องการให้ท่านเดือดร้อนจึงไม่บอกแล้วพระเถระแม้อันสามเณรให้เบาใจอยู่ก็ไม่เบาใจมีความสลดใจเกิดขึ้นแล้วถือพันธะ ของสามเณรไปสู่สำนักของพระาศาสดาแล้วแม้พระาศาสดาประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเทระนั้นเหมือนกันพระเทระนั้นไปทบายบังคมพระาศาสดาทำความบันเทิงกับพระาศาสดาแล้วอันพระาศาสดาตรัสถามว่าภิกษุเธอพออดทนอยู่ได้หรือความไม่พาสุขที่รุนแรงอะไรอะไร ไม่มีหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พออดทนได้พระศิก้าความไม่ผาสุกรุนแรงอะไรอะไรของข้าพระองค์ไม่มีแต่อีกอย่างหนึ่งแลคนอื่นผู้มีคุณล้นเหลือเหมือนสามเณรเด็กนี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระชุก้าภิกษุกรรมไรอันสามเณร น, นี้ทาแล้วเล่าประเดรานั้น จึงกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามเณรนี้อันข้าพระองค์ให้อดโทษอยู่อย่างนี้ก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าโทษของท่านไม่มีโทษของผมก็ไม่มีนั้นเป็นโทษของวัตเตอร์เท่านั้นขอท่านอย่าได้ร้อนใจไปเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจแล้วนั่นเดียว ด้วยประการชนี้ไม่ทําความโกรธไม่ทําความประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่า น, นี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าข่าตอนพระกีนาศพไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใครลําดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุ ธรรมดาพระกีนาศตั้งหลายไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วเป็นผู้มีใจสงบแล้วเถี่ยวดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสุนีิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกาตานิว่าใจของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับคงที่ เป็นใจสงบแล้ววาจาก็สงบแล้วการงานก็สงบแล้วสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกกรมมะจะัสัมมะธั ญ, ญาวิมุตตัสสะกุปะสันตัสสะตาทิโนในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสันตังแปลว่าสงบแล้วหมายความว่าใจของสมณนะ ผู้ขี่นาศบนั้นชื่อว่าสงบแล้วแท้คือระงับได้แก่ดับในเวลาจบเทสนาพระติสเทระชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายทำเนเนสนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แหละเรื่องพระติสเทระเชาวกรุงโกสัมพี ธรรมบทแปลเรื่องกุ่มพระโกสกะภาคที่สองเรื่องที่สิบกความพิสดารว่าในกรุงราชคฤหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเรือนของราชคหะเศรษฐีเมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นแล้วสัติราชานตั้งต้นแต่มแมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อน ถัดนั้นมาก็ธาตและกรรมกรภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจ้าของเรือนเพราะฉะนั้นโรคนั้นจึงจับเศรษฐีภรยาภายหลังเขาทั้งหมดสองสามีภริยานั้นโรคถูกต้องแล้วแลดูบุตรซึ่งยืนอยู่นะที่ใกล้มีในตาทั้งสองนองด้วยน้ำตาพูดกับบุตรว่าพ่อเอย๋ย เขาว่าเมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้นชนทั้งหลายพังฝาเรือนหนีไปย่อมได้ชีวิตตัวเจ้าไม่ต้องห่วงยยเราทั้งสองพึ่งหนีไปเสียโดยด่วนมีชีวิตอยู่จึงกลับมาอีกพึ่งขุดเอาทรัพย์40โกดที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่นอนขึ้นเลี้ยงชีวิตเขาฟังคำของมารดาบิดานั้นแล้ว ร้องไห้วามารดาบิดาคลัวต่อไปคือความตายทำลายฝาเรือนนี้ไปสู่ชัดแห่งภูเขาอยู่ในที่นั้นสิ้น12ปีแล้วจึงกลับมายัางที่อยู่ของมารดาบิดาครั้นใครๆจำเขาไม่ได้เพราะความที่ไปในการยังเป็นเด็กกลับมาในการมีผม และหนวดกึ้นรุงรังเขาไปสู่ที่ฟังรัพ์ด้วยอำนาจแห่งเครื่องหมายอันมารดาบิดาให้ไว้ทราบความที่ซั์ไม่เสียหายจึงคิดว่าใครๆย่อมจำเราไม่ได้ถ้าเราจะขุดรัพ์ขึ้นใช้สสยไซ้์คนทั้งหลายพึงคิดว่าคนเข็นใจผู้หนึ่งขุดซัพ์ขึ้นแล้วพึงจับเรา แล้วเบียดเบียนถ้าใครเราพึงทำการรับจ้างเป็นอยู่ในที่นั้นเขาจึงนุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งที่ยวถามว่าใครๆมีความต้องการด้วยคนรับจ้างมีอยู่หรือไปถึงถนนอันเป็นที่อยู่ของคนผู้จ้างแล้วขณะ น, นั้นพวกผู้ช่างเห็นเขาแล้วกล่าวว่า ถ้าเช่าจากทำงานการของพวกเราได้สักอย่างหนึ่งไซส์พวกเราจะให้ค่าจ้างสำหรับซื้อพัดเขาถามว่าก็ชื่อว่าการงานอะไรที่พวกท่านจะให้ทำพวกผู้ช่างตอบว่าการงานคือการปลูกและการตักเตือนถ้าเช่าอาจทำได้ไซส์เจ้าจงลุกขึ้นแต่เช้าตรูเที่ยวบอกว่าพ่อทั้งหลายจงลุกขึ้น จงตระเตรียมเกวียนทั้งหลายจงเทียมโคตัวผู้นี้เป็นเวลาที่สัตว์พานะต่างๆมีช้างและม้าเป็นต้นไปเพื่อต้องการกินหญ้าแม่ทั้งหลายแม้พวกท่านจงลุกขึ้นต้มข้าวยาคูหุงพัดดังนี้เขารับคำว่าได้ดังนั้นแล้วลำดับนั้นพวกผู้จ้างได้ให้เรือนหลังหนึ่งแก่เขา เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ณนะที่ใกล้เขาได้ทำการนั้นทุกวันอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ท่งสดับเสียงของเขาแล้วก็ท้าวเธอเป็นผู้ทรงทราบเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของผู้มีทรัพย์มากขณะนั้นนางสนมของพระองค์คนหนึ่ง ยืนเฝ้าอยู่นะที่ใกล้คิดว่าพระราชาจะไม่ตรัสเหลวไหลเราควรจะรู้ชายผู้นี้จึงส่งชายผู้หนึ่งไปสืบ้ดยคําวว่าไปเถ็ดพ่อท่านจงทราบบุรุษนั่นแล้วกลับมาเขารีบไปพบกลุ่มพระโกสกานั้นแล้วก็รีบกลับมาบอกว่านั่นเป็นมนุษย์ก ร, รมพระคนหนึ่ง ซึ่งทําการรับจ้างของชนผู้ช่างทั้งหลายพระราชาส่งสดับถ้อยคําของบุรุษนั้นแล้วก็ส่งดุสเดียภาพในวันที่สองกดีในวันที่สามกดีแกนส่งสดับเสียงของกลุ่มภาคโกสการนั้นแล้วก็ตรัสอย่างนั้นเหมือนกันนางสนมแม่นั้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันส่งบุรุษไปหลายครั้งเมื่อเขาบอกว่า เป็นมนุษย์กัมปราก็คิดว่าพระราชาแม้ทรงสดับคำว่านั่นมนุษย์กัมปราก็ไม่ทรงเชื่อตรัสย้ำอยู่ว่านั่นเสียงบุรุษผู้มีทรัพมากข้อนี้ต้องมีเหตุกวรที่เราจะรู้จักชายนั้นตามความจริงนางสนมนั้นจึงกราบตูนกับพระราชาว่าค่าแต่สมุติเทพข้าพระบาทเมื่อได้ทรัพย์พันหนึ่ง จะพาทิดาไปออกอุบายให้ซับแน่นเข้าสู่ราชตระกูลจงได้พระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแก่นางแล้วนางรับพระราชทานทรัพย์นั้นแล้วให้ทิดานุ่งผ้าค่อนข้างเก่าปืนหนึ่งออกจากพระราชมนเณียนพร้อมกับทิดานั้นเป็นดุจคนเดินทางไปสู่ถนน อันเป็นที่อยู่ของพวกผู้จ้างเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งพูดว่าแม่จ๋าฉันทั้งสองเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจะขอพักในเรือนนี้สักวันสองวันแล้วจะไปหญิงเจ้าของเรือนพูดว่าแม่ผู้คนในเรือนมีมากแม่ไม่อาจพักในเรือนนี้ได้เรือนของนายกุ้มพักโกศกันนั้นว่างเชิญแม่ไปขอพักในเรือนนั้นเถิด นางจึงได้ไปเรือนของกลุ่มพักโ ก, กศกานั้นแล้วกล่าวว่านายจ๋าฉันทั้งสองเป็นคนเดินทางจะขอพักอยู่ในเรือนนี้สักวันสองวันแม้ถูกเขาห้ามตั้งหลายครั้งก็พูดออนมอนว่านายจ๋าฉันทั้งสองจะขอพักอยู่เช้า ว, วันนี้วันเดียวพอเช้าตรู่ก็จะไปหอกหญิงทั้งสองไม่ปรารถนาจะออกไปแล้ว นางพักอยู่ในเรือนของกลุ่มภกกักโกศกะนั้นนั่นแหละในวันรุ่งขึ้นในเวลาเขาจะไปปา่าจึงพูดว่านายจา๋าขอนายจงมอบค่าอาหารสาหรับนายไว้แล้วจึงค่อยไปฉันจะหุงต้มไว้เพื่อนายเมื่อเขากล่าวว่าอย่าเลยฉันหุงต้มกินเองก็ได้เธอทั้งสองก็รบเรา บ่อยๆเข้าจนสำเร็จทำทรัพย์ที่เขาให้แล้วให้เป็นทรัพย์สักว่าอันตนเก็บไว้เทียวแล้วนำโภชนะและสิ่งต่างๆมีข้าวสารที่สะอาดเป็นต้นมาแต่ร้านตลาดหุงข้าวสุกให้ละมุนละไมดีและปรุงแกงและกับข้าวสองถึงสามอย่างซึ่งมีรสอร่อย โดยทํานองหูงต้มในราชตระกูลได้ให้แก่กุมภคโกสกะผู้มาจากป่ากรันซาบาเขาบริพวกแล้วถึงความเป็นผู้มีจิตเบิกบานจึงพูดกับเขาว่านายจา๋าฉันทั้งสองเป็นผู้เมื่อยล้าขอพักในเรือนนี้และสักสองวันเถอะนะเมื่อเขาอนุญาตแล้วในที่นั้น นางก็ปรุงพัดอย่างอร่อยอร่อยทั้งเวลาเย็นทั้งเวลารุ่งขึ้นแล้วให้แก่เขาและครั้นทราบความที่เขามีจิตเบิกบานแล้วก็วิ่งวอนอีกว่านางจ๋าฉันทั้งสองจะอยู่ในเรือนนี้และสักสองถึงสามวันหนังนี้แล้วก็อยู่ในเรือนนั้นเติทั้งสองนั้นเมื่อมีโอกาส เอาสาตราอันคมตัดฐานเตียงของเขาภายใต้แม่แค่ในที่นั้ น, น, นเมื่อเขามาพอนั่งลงเท่านั้นเตียงก็ยุบลงเบื้องล่างเขากล่าวว่าทำไมเตียงนี้จึงขาดไปอย่างนี้นางสนมนายจ๋าฉันไม่อาจห้ามพวกเด็กรุ่นรุ่นได้พวกเขามาประชุมกันเล่นในที่นี้นี่แหละ พุมพะโกศกะแม่ทั้งสองเพราะอาศัยเธอสองคนทุกนี้จึงเกิดขึ้นแก่ฉันเพราะในการก่อนฉันจะไปในที่ไหนไหนก็ปิดประตูละจึงไปนางสนมจะทำอย่างไรได้ล่ะพ่อฉันไม่อาจห้ามได้นางตัดฐานเตียงโดยทํานองนิแลสิ้นสองถึงสามวันแม้ถูกเขาตาหนิตีเตียน ว่ากล่าวอยู่ก็คงกล่าวแก้ตัวอย่างนั้นแล้วตัดเชือกที่เหลือเว้นเชือกเส้นเล็กๆไว้เส้นสองเส้นวันนั้นเมื่อเขาพอนั่งลงเท่านั้นฐานเตียงทั้งหมดตกลงไปที่พื้นดินศีรษะของเขาได้กระทบรวมเข้ากับเขาทั้งสองเขารุกขึ้นได้จึงพูดว่า ฉันจะทำอย่างไรบัดนี้เธอสองสองจะไปไหนก็ได้พวกเธอทำฉันไม่เป็นเจ้าของเตียงที่นอนเสียแล้วนางสนมจึงปลอบว่าจะทำอย่างไรได้เล่าพ่อฉันไม่อาจห้ามเด็กๆที่คุ้นเคยได้ช่างเถอะอย่าวุ่นวายไปเลยนายจะไปไหนในเวลานี้ดัง น, นี้แล้วนางสนมก็เรียกที่ดามาและบอกว่าแม่หนู เจ้าจงทำโอกาสแบ่งที่นอนสำหรับพี่ชายของเจ้าทิดานั้นนอนข้างหนึ่งแล้วพูดว่านายจ๋าเชิญนายมานอนที่นี้แม่นางสนมก็กล่าวกับกลุ่มพักโสกดนั้นว่าเชิญพ่อไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขานอนบนเตียงเดียวกันกับทิดานางสนมนั้นได้ทำความเชยชิดกันในวันนั้นนั่นเอง นางกุมาริการ้องไห้แล้วที่นั้นมันดาจึงถามนางว่าเจ้าร้องไห้ทำไมแม่หนูทิดากล่าวว่ากรรมชั่วนี้เกิดขึ้นแล้วแม่มันดาจึงพูดว่าช่างเถิดแม่หนูเราอาจทำอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดีกุมภัคโกสกานี้ได้หญิงผู้บำเือเท้าคนหนึ่งก็ดีย่อมสมควรดังนี้แล้ว ได้ยอมรับกุมภะกโกศกะนั้นเป็นบุตรเกยแล้วเขาทั้งสองอยู่ร่วมกันแล้วโดยการล่วงไปสองถึงสวันนางสนมนั้นได้ส่งข่าวแด่พระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพขอฝาละอองตุลีพระบาทจงรับสั่งให้ทำการโฆษณาว่าขอตัวราชจงจัดทรมหาสพในย่านถนนแห่งคนรับจ้างอยู่ ก็คนใดไม่จัดทามหารสศในเรือนคนนั้นจะถูกปรับสินไหมประมาณเท่านี้แต่นี้แล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นคราวนั้นแม่ยายคือนางสนมได้พูดกับกุมพะโกสกาว่าพ่อเอ๋ยเราจำต้องทำมหรสพในถนนแห่งคนรับจ้างตามพระราชอาทยาเราจะทำอย่างไร กุมบะโกสกะแม่แม้ฉันทำการรับจ้างอยู่ก็แทบจะไม่สามารถเป็นอยู่ได้พ่อเอย๋ยธรรมดาบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายย่อมกู้หนี้ยืมสินได้พระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับจะไม่ทำตามก็ไม่ได้อันเราอาจพ้นจากหนี้ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเถอพ่อจงนํากาปณนะหนึ่งหรือสองกาปณนะมาแต่ที่ไหนๆหนก็ได้ เขาได้ตําหน่งตีเตียนพลางไปนํำกระหาปณะนะมาเพียงหนึ่งกระหาปณะนะจากทรัพย์ที่ฝังไว้40โกดนางก็ส่งกระหาปณะนะไปถวายแด่พระราชาแล้วจะทำมหรสบด้วยกระหาปณ ะ, ะของตนโดยการล่วงไป 2-3 ถึงวันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั่นแหละอีกพระราชาก็ทรงบั ง, บงคับอีกว่า โดวยราชจงจัดทำมอรถศพเมื่อใครไม่ทำจะถูกปรับสินไหมประมาณเท่านี้กุมภโกกลนั้นถูกแม่ยายกล่าวรบเร้าอยู่เหมือนครั้งก่อนนั่นแลจึงไปนำกาาปะนะมาสามกาปะนะแม้อีกนางก็ส่งกาปะนะแม้เหล่านั้นไปถวายแด่พระราชาโดยการล่วงไปสอถึงสามวัน ก็ส่งข่าวไปถวายอีกว่าบัด น, นี้ขอฝ่าละองทุหลีพระบาทจงส่งบุรุษมารับสั่งให้เรียกกุมพากโกสกะนี้ไปเฝ้าพระราชาจึงส่งบุรุษไปแล้วพวกบุรุษไปยังถนนที่พวกผู้จ้างนั้นอยู่แล้วถามหาว่าคนไหนชื่อกุมพากโกสกะเที่ยวตามหาพบเขาแล้ว บอกว่ามาเถิดพ่อหมอจำเริญพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เข้าเฝ้าเขาเกิดความกลัวขึ้นพูดคำแก้ตัวเป็นต้นว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรู้จักตัวฉันแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะไปเลยที่นั้นพวกบุรุษจึงจับเขาที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นจุดมาด้วยการใช้กําลังหญิงนั้น เห็นบุรุษเหล่านั้นแล้วจึงทำทีขูข่ตะคอกว่าเฮ้ยเจ้าพวกหัวดื้อพวกเจ้าไม่สมควรจับลูกเกยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นแล้วก็ปลอบกุมปาโกสกา ว, ว่ามาเติดพ่ออย่ากลัวเลยฉันเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะทูลให้ตัดมือของพวกที่จับอวัยวะมีมือเป็นต้นของเจ้าทีเดียวแล้วก็พา บุตรีของตอนไปก่อนถึงพระราชมตียแล้วเปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมศัพได้ยืนเฝ้าอยู่นะส่วนข้างหนึ่งฝ่ายกุมภะโกกะถูกเขาฉุดครานำมาถวายจนได้ขณะ น, นั้นพระราชาตรัสกับเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ว่าเจ้าหรือชื่อกุมภะโกสกะ ข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ชื่อกุมภโกศกะพระชก้าพระราชาก็เจ้าปกปิดทรัพย์เป็นนันมากไว้ใช้สอยเพราะเหตุอะไรทรัพย์ของข้าพระองค์จะมีแต่ที่ไหนพระชก้าเพราะข้าพระองค์ทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตพระราชาเจ้าอย่าทําอย่างนั้นเจ้าลวงข้าทําไมกุมภโกศกะข้าพระองค์ไม่ได้ลวงพระชก้าทรัพย์ของข้าพระองค์ไม่มี ในที่นั้นพระราชาทรงแสดงกะหาปะนะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่าก็แล้วกหาปะนะนี้ของใครกันเขาจํากะหาปะนะได้คิดว่าตายจริงเราหายนะแล้วอย่างไรหนอกะหาปะนะเหล่านี้จึงตกมาถึงพระหัตของพระเจ้าจู๋หัวได้มองดูไป ร, บรอบๆก็เห็นหญิงทั้งสองนั้นประดับประดา ยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห่องได้คิดว่าคำนี้สำคัญนะฉลอยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านี้ไปล่อลวงแน่นอนขณะนั้นพระราชาจึงตรัสกับเาว่าท่านผู้เจริญจงพูดไปเถิดทาไมเจ้าจึงทำอย่างนั้นกุมภากศกะเพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีพระชาข้าพระราชา คนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือกุมภโกศะข้าแต่สมุติเทพถ้าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าได้ก็จะเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งประราชาเป็นได้สิผู้เจริญทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่มี40กว่พระเจ้าข้าเจ้าได้อะไรไปขนมาจึงจะควรขอเวียนหลายๆเล่มพระเจ้าา ประราชาจึงรับสั่งให้จัดเวียนลายรอยเล่มส่งไปให้ขนทรัพย์นั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่หน้าพระหลานหลวงแล้วรับสั่งให้ชาวกรุงราชกฤกมาประชุมกันแล้วตราตาม่าก็ในพระนครนี้ใครมีทรัพย์ประมาณเท่านี้บ้างเมื่อด้วยราชกราบทูลว่าไม่มีพระชจ้าข้าพระราชาจึงตรัสตามว่า ก็เราทำอะไรให้แก่เขาจึงควรเมื่อพวกนั้นกราบทูลว่าทรงทำความยกย่องให้แก่เขาจึงสมควรพระเจ้าข่าพระราชาจึงทรงตั้งกลุ่มพระโส ก, กานั้นในตำแหน่งเศรษฐีด้วยส ก, กระเป็นอันมากพระราชทานบุตรีของหญิงสนมนั้นแก่เขาแล้วเสด็จไปสู่สำนักของพระาศาสดาพร้อมกับเขา ถวายบังคมแล้วกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นปานนี้ไม่มีเขาแม้มีสมบัติถึงสี่สิบโกดก็ไม่ทาการเยื่อยิงหรืออาการสักว่าความตนงตัวทำเป็นเหมือนคนกำพรา้านุ่งผ้าเก่าๆทำการรับจ้างที่ถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกผู้ช่าง เลี้ยงชีพอยู่ม่อมฉันรู้ได้ด้วยอุบายชื่อนี้ก็แลครั้นรู้แล้วสั่งเรียกมาไล่เลี้ยงให้รับว่ามีทรัพย์แล้วก็ขนทรัพย์นั้นมาแล้วตั้งเธอไว้ในตําแหน่งเศรษฐีใช่แต่เท่านั้นมอมฉันยังยกบุตรีให้แก่เขาด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนมีปัญญาเห็นป่านนี้ม่อมฉันไม่เคยเห็นเลย พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่ามหมาบะพีชชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมก็กรรมมีจรกกรมเป็นต้นย่อมเบียดเบียนบีบคัน้นผู้ทำทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าชื่อว่าความสุข อันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุุรทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแหละชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรมอันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียวแก่คนพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ทางตะาันทั้งหลาย มีกายและบาจาเป็นต้นมีปกติไกรกรวนด้วยปัญญาแล้วจึงทมผู้สำรวมไตรทวารมีกายทวารเป็นต้นเหลี้ยงชีวิตโดยธรรมตั้งอยู่ในการไม่ประมาทจากสติไม่ประมาทเห็นป่านั้นนังนี้แล้วตรัพระกาถานี้ว่ายดย่อมเจริญโดยยิ่งแกคนผู้มีความขยัน มีสติมีการงานสะอาดมีปกติไร้กรวนแล้วจริงธรรมสมรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทบาลีว่าอุท ธ, ธานะวะโตสติมาโตสุจิกรรมมัสสะนิสัมมะกะริโนสัญญาตัสสะจะธรรมะชีวิโนอปะมัตตัสสะยะโสพิวัติ ในการจบพระคาถากลุ่มพักโกศกะดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เราวาอื่นเปน็นดันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แหละเรื่องกลุ่มพักโ ก, กะ